จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตรากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาประพฤตมาปฏิบัติ ตามพระธรรมคําสอนของพระบรมวสาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก่สัตว์โลกทั้งหลายด้วยความศรทัทธาคือความเชื่อในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้า เป็นพระ อ, อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นผู้เป็นพระ อ, อรหันต์พระ อ, อรหันต์นี้แปลว่าผู้สิ้นกิเลสผู้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงว่าเป็นผู้ที่สามารถตัดสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง ไม่มีครูไม่มีอาจารย์มาสั่งสอนเพราะไม่มีใครมีความรู้มีความสามารถที่จะสามารถทําตนให้เป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสได้ด้วยลําพังของตนเองมีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถจะ บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยพระองค์เองผู้อื่นนั้นบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยการได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาว ม, มาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงประกาศ พอทำคำสอนให้แก่ผู้ที่มีศรัทธามีความสนใจเมื่อเขาได้นำเอาไปปฏิบัติตามเขาก็จะบรรลุเป็นพระอรหันตสาวุได้อย่างไม่ยากเย็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าต้องทรงบำเพ็ญตามลำพังของพระองค์เองเพราะเป็นเหมือนกับการเดินทางที่ไม่มี แผนที่หรือไม่มีผู้นาทางต้องต้องทดลองทางต่างๆจนกว่าจะได้พบทางที่พาไปให้สู่ถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ผู้ที่มีแผนที่หรือมีผู้นำทางการที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางจึงเป็นสิ่งที่ง่ายกว่า ผู้ที่ไม่มีแผนที่ผู้ไม่มีผู้นำทางการบรรลุเป็นพระอรหันตสาสมมาสามพุทธเจ้านี้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะไม่มีแผนที่ไม่มีคนสอนแต่สำหรับพระอรหันตสาวกนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากเพราะมีคนสอนมีคนนำทาง มีแผนที่พวกเราจึงถือว่ามีบุญมีวาสนามากถ้าพวกเราปรารถนาการบรรลุเป็นพะระอรหันต์เราจะสามารถทำได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยเราไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างบุญบา ร, รมีเป็นกลับเป็นกันเพราะเราได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคำสอน ได้พบกับพระอาหารหันตาสาวกผู้ที่สามารถสั่งสอนนำทางให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันพวกเราปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าสามารถพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้ นั่นก็คือพระนิพพานหรือการบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เองเพราะเมื่อได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วในใจจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีมีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังจิตที่มีนิพพานหรือจิตที่เป็นนิพพาน นี้จะมีแต่บรลมมสุบรลมมสุขก็คือสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายสุขที่ไม่มีความทุกขมาเกี่ยวข้องไม่เหมือนกับสุขที่พวกเรามีกันเป็นสุขแบบควันไฟสุขได้เดียวๆแล้วก็จางหายไปแล้วก็มีความทุกเข้ามาแทนที่แต่สุขของพระอาหารหันต์ของพพระพุทธเจ้านี้เป็นสุขที่ถาวร เป็นสุขที่ไม่มีวันเสื่อมหมดไปและเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกมามาทดแทนนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนากันแต่พวกเราไม่รู้ว่าเราจะไปได้อย่างไรจนกว่าเราจะได้มาพบพระพุทธเจ้าพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือพบพระ อ, อริยสงสารพผู้ที่สามารถทำหน้าที่สั่งสอนพวกเราแทนพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราได้พบแล้วเราจึงควรที่จะมีความแน่วแน่มั่นคงต่อพระธรรมคำสอนด้วยการปฏิบัติตามจะยากหรือจะง่ายอย่างไรก็อย่าท้อแท้ ขอให้เราพยายามปฏิบัติไปสักวันหนึ่งเราก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้าเรามีความเพียรความพยายามมากเราก็จะอาจจะสามารถบรรลุได้ภายในภพนี้เลยเพราะมีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามคาสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ ในชาตินี้พบนี้เป็นจํานวนมากนับตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมและมีผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาเป็นจํานวนมากเพียในระยะเ็ดเดือนแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอนก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์สาวก อย่างน้อยก็ 1,250 รูปด้วยกันที่เราได้ยินได้ฟังกันในวันมาคาบูชาที่มีพระอาหารหันต์สอหัสองรรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนนี่ก็คือเป็นเวลา6เดือนเจเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศ พระทรงมคำสอนไปหลังจากนั้นแล้วก็มีผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นจำนวนมากดังที่เราได้ทราบกันแต่ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นั้นไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่เพียงรูปเดียวเพราะไม่มีใครจะมีปัญญาบา ร, รมีมากพอ ที่จะทำให้ตนเป็นพระอาหารหันต์ได้นั่นเองแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนมานำทางก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากดังนั้นพวกเราจึงเชื่อได้อย่างสนิทใจว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นคำสอนที่ไร้ผลคือผลนี้เราพึง รับได้อย่างแน่นอนถ้าเราปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติอย่างพระอริยสงสา่วงปฏิบัติกันก็คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนหมายความว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจาก ความทุกภายในจิตใจด้วยการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นต้นเหตุของความทุกขที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดในพพน้อยภพใหญ่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือหน้าที่ของเรางานของเราคือ เราต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนในเบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันบ้างทำอะไรกันบ้างเมื่อเราทราบแล้วรู้แล้วเราก็นำเอามาปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วจิตใจของเราก็จะสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นไปตามลําดับ จนในที่สุดก็จะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมานี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับพวกเราก็คือความสุขที่พวกเราทุกคนปรารถนากันถ้าเราเข้าหาพระพุทธศาสนาแสดงว่าเราไม่หลงทางเราเข้า สู่ทางแล้วเพราะเราเป็นเหมือนคนไข้ที่เราต้องไปโรงพยาบาลถ้าเราไปที่อื่นนั้นเราจะไปไม่ถูกที่จะไปแล้วจะไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ฉันใดใจของพวกเราก็เป็นเหมือนคนไข้ที่ต้องการหมอต้องการโรงพยาบาล หมอของใจหรือโรงพยาบาลของใจก็คือพระพุทธศาสนานี่เองอย่าไปคิดว่าการเข้าวัดเข้าวานี้ทำให้เราเป็นคนลาสมัยทำให้เราเป็นคนงมงายเพราะศาสนานี้ไม่ได้สอนให้คนลาสมัยหรือสอนให้คนงมงายแต่สอนให้คนทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่สอนให้ทันสมัยก็คือให้ทันกับกิเลสนี่เองกิเลสนี้เขานำหน้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ทันกิเลสเราก็จะถูกกิเลสฉุดลากให้ไปสู่ความทุกความมุ่นหวาจใจถ้าเรารู้ทันกิเลสเราก็จะสามารถไม่เดินตามไปทางของกิเลส พราะเราจะรู้ว่าทางของกิเลสนี้เป็นทางที่นำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจนั้นเองเช่นถ้าเรารู้ทันความโลภเราก็จะสบายเพราะความโลภนี้จะฉุดลากให้เราไปสู่ความวุ่นวายความทุกข์ความยากลำบากเวลาเราโลภอยากได้อะไรเราก็ต้องขวนขวาย เราก็ต้องต่อสู้เราก็ต้องแสวงหาต้องเหนื่อยยากกับการต่อสู้การแสวงหาจนกว่าจะได้สิ่งที่เราอยากได้มาแต่พอเราได้มาแล้วแทนที่เราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้มาเรากลับต้องมามีความทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเพราะเราจะต้องเกิดความ วิตกกังวลกลัวว่าสิ่งที่เราได้มาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดหรือกลัวว่าสิ่งที่เราได้มานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เราไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ที่เราได้มานี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขอย่างที่เราคิดกัน เพราะเราไม่รู้ทันความหลงที่มีอยู่ภายในใจที่หลอกให้เราคิดว่าได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้มาได้บุคคล น, นั้นได้บุคคล น, นี้มาแล้วจะทำให้เรามีความสุขแต่เราไม่มองถึงความทุกข์ที่จะตามมากับการที่เราได้สิ่งต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ดี หรือวัตถุเข้าของกระดีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรารู้ทันในสิ่งต่างๆที่เราปรารถนากันว่าธรรมชาติที่แท้จริงของเขานั้นเป็นอย่างไรสิ่งต่างๆที่พวกเราปรารถนากันถ้าจะสรุปลงกันก็มีอยู่สี่อย่างด้วยกันคือหนึ่งลาบ 2, 3, สองยศสาสรรเสริญ 4. ความสุขที่ได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภั์ที่เราเสพด้วยตาหูจมูกมิ้นกาของเรานี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนโลกกันอยากได้กันอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญและอยากจะได้ความสุขแต่พวกเราไม่เคยศึกษา ถ, ถึงธรรมชาติ ของสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอย่างไรว่าเท่งแท้หรือไม่ว่าคงเส้นคงวาเหมือนเดิมหรือไม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการหมดสิ้นไปได้นี่เราไม่เคยพิจารณากันถ้าเราพิจารณาแล้วเราก็จะเห็นว่าการได้ลาบมานี้ก็มีการเสื่อมราบเป็นธรรมดาตามมาการได้ยศ ก็มีการเสื่อมยศเป็นธรรมดาการได้สรรเสริญก็มีการได้นิตาเป็นธรรมดาการได้สุขก็ต้องมีการได้ทุกข์ตามเป็นธรรมดาเพราะความสุขที่เราได้นี้มันไม่ถาวรนั่นเองมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปพอมันหายไปแล้วเราก็เกิดความทุกข์ตามมา เช่นเรามีความสุขกับบุคคลคนหนึ่งเวลาเขาจากเราไปเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เขาอยู่กับเราเราก็ต้องคอยห่วงคอยห่วงคอยกังวลกับเขากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขากําลังทําอะไรอยู่เราอยากจะอยู่ใกล้กับเขาตลอดเวลา แต่พอได้อยู่ใกล้กับเขาตลอดเวลาก็อาจจะเกิดทะเลาะกันขึ้นมาอีกเดี๋ยวอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันอยากจะทำในสิ่งที่ไม่ตรงกันคนหนึ่งอยากจะออกไปเที่ยวอีกคนหนึ่งอยากจะอยู่บ้านเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันอีกก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกทุกข์ทั้งอยู่ด้วยกันและทุกข์ทั้งที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เป็นห่วงคิดถึงกันเวลาอยู่ด้วยกันก็เบื่อกันก็ทะเลาะกันมีเรื่องมีราวกันนี่เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่พวกเราไปหลงโลกไปอยากได้กันเราจึงไม่ค่อยมีความสุขกันมากนะักมีเพียงแต่ระยะใหม่ๆเวลาที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้มาเท่านั้นเอง ตอนที่เราได้มาเราก็ดี อ, อกดีใจแต่ต่อไปเราก็ต้องมาทุกกับสิ่งที่เราได้มาขณะที่อยู่กับเราก็ทุกข์ขณะที่จากเราไปก็ทุกข์นี่คือเรื่องที่เราไม่ค่อยได้คิดกันเราคิดอยากจะได้เพียงอย่างเดียวอยากจะได้ลาอยากจะได้ยศอยากจะได้สรรเสริญอยากจะได้ความสุข แต่เราไม่เคยคิดถึงเวลาที่เขาเปลี่ยนไปพิกิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากการได้มาเป็นการเสียไปได้ลาบมาแล้วเสียลาบไปได้ยศมาแล้วเสียยศไปได้คำสรรเสริญแล้วกลับได้คำนินทาตามมาได้ความสุขแล้วก็กลับได้ความทุกข์ตามมานี่คือเรื่องของความหลง ที่หลอกให้เราโลภ ก, กั บ, าบลาภยศสารเสริญสุขคนที่ฉลาดเช่นพระพุทธเจ้านี้ท่านคิดท่านรอบคอท่านพิจารณาอยู่เรื่อยๆจึงทําให้ท่านเห็นว่ า, าลาภยศสารเสริญสุขนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงจึงทําให้ท่านกล้าตัดสินใจสละาสลาภยศสารเสริญสุขเช่นพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติ สละลาบยศสละเสริญสุด ข, ของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ออกไปแสวงหาความสุขที่แท้จริงคือความสุขของใจความสุขที่เกิดจากการได้ชำระความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปพอชำระได้หมดสิ้นไปแล้วใจของท่านก็ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลย เป็นปรามังสุขขังเป็นความสุขที่ถาวรนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจของเรารอให้พวกเราทำให้มันปรากฏขึ้นมาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีเป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การทำจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยถ้าเราทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปรารถนาสิ่งอื่นนั้นแสดงว่าเราหลงทางเราไม่ได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทํากันเช่นเวลาเราทําบุญให้ทานบางท่านก็อาจจะอยากจะได้ความร่ํารวย อยากจะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีต่อไปแต่เราไม่เห็นว่าการเป็นมหาเศรษฐีนี้สู้การมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะถึงแม้จะเป็นเศรษฐีก็ยังจะต้องทุกกับสมบัติของตนอยู่จะต้องจากพัดผ้าจากสมบัติของตนเพราะเมื่อเกิดมาเป็นเศรษฐีได้ไม่นานก็จะต้องตายจากทรัพย์สมบัติ อของเงินทองไปสู้เกิดมาเป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้เพราะจะไม่มีการสูญเสียความสุขที่มีอยู่ในใจความสุขที่มีอยู่ในใจนี้จะไม่หมดไปตามร่างกายเวลาร่างกายตายไปความสุขภายในใจนี้ก็ยังมีเต็มเปลี่ยนยุภายในหัวใจแต่ทรัพย์สมบัติของเศรษฐี หรทรัพย์สมความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์สมบัตินี้มันจะหมดไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วก็จะต้องไปเกิดใหม่แล้วก็ถึงแม้จะได้กลับมาเกิดเป็นเศรษฐีอีกกี่ร้อยกี่แสนรอบมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีความทุกข์ตามมาอยู่เสมอสู้การเกิดเป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้ หรือการชำลาใจจนใจนี้เป็นพระนิพพานกลายเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมานี้ไม่ได้เพราะเมื่อเป็นพาาาระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาพัดพากจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไม่ต้องพัดพากจากบุคคลที่เรารักที่เราชอบอีกต่อไปดังนั้นถ้าเราทําบุญให้ทาน รักษาสี่หรือภาวนาขอให้เราจงมีความรู้ว่าเราทำเพื่อชำระความโลภความโกรธความหลงเราไม่ได้ท ำ, ทำเพื่อลาบยศเสริญสุดแต่อย่างใดเวลาทำบุญจึงอย่าทาด้วยความโลภด้วยความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่แม้แต่พระนิพพานก็ไม่ต้องอยาก เพราะความอยากนี้จะทำให้เราไม่ได้พระนิพพานแต่ความปรารถนาหรือความตั้งใจนี้มีได้เช่นทาบุญนี้ทำบุญเพื่อให้เราชำระความโลภความโกรธความหลงเพราะการชำระความโลภความโกรธความหลงนี้ก็จะทำให้เราได้พระนิพพานโดยที่เราไม่ต้องไปอยากได้พระนิพพานขอให้เราทา เพื่อชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของเราเท่านั้นแล้วพระนิพพานก็จะเป็นผลที่เราได้ดังนั้นเวลาที่เราตั้งจิตอธิษฐานนี้เราอย่าไปอธิษฐานที่ผลลัพธ์แต่ขอให้เราอธิษฐานที่เหตุเพราะคำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจไม่ได้แปลว่าความการขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าอธิษฐานแปลว่าการขอเราก็ต้องขอผลก็คือขอมรรคผลนิพพานแต่นี่การอธิษฐานนี้ในทางศาสนานี้ท่านหมายความว่าให้เราตั้งใจให้เรามีความตั้งใจให้เรามีความตั้งใจที่จะชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนา เวลาที่ญาติโยมก่อนจะทำบุญตักบาตรแล้วอธิษฐานว่าขอให้ได้มรรคผลนิพพานอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการอธิษฐานที่ถูกต้องต้องอธิษฐานว่าขอให้ได้ทำบุญไปตลอดไปดาบใดที่ยังมีชีวิตอยู่มีความสามารถที่จะทำบุญให้ทานได้ขอให้ทำไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดจนกว่ากิเลส คือความโลภความโกรธความหลงจะบดสิ้นไปจากจิตจากใจนี่คือการอธิษฐานที่ถูกต้องต้องอธิษฐานที่เหตุคือการกระทำเวลาเราทำบุญก็า้าอธิษฐานว่าขอให้เราทำบุญบ่อยๆทำบุญให้มากขึ้นเวลาเรารักษาศีลก็เช่นเดียวกันขอให้เรารักษาศีลให้บ่อยสุดให้ได้มากขึ้น จากข้อหนึ่งก็ได้เป็นสองข้อสามข้อสี่ข้อ5ข้อ8ข้อ10ข้อจนถึง227ข้อนี่คือการอธิษฐานต้องอธิษฐานที่เหตุคือขอให้เราทําให้ได้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทําจากน้อยขึ้นไปหามากอย่าทํามากกว่าที่เราจะสามารถทําได้เพราะจะทําให้เราหมดกําลังใจเพราะจะรู้สึกว่ายาก แต่ถ้าเราทำในส่วนที่เราทำได้แล้วค่อยๆเพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อยเราก็จะสามารถทาขึ้นไปได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเ mm. ช่นสมมติว่าเรารักษาศีน ต, ตอนนี้ได้เพียงข้อเดียวเราก็พยายามรักษาสองข้อหาข้อไหนที่เรารู้สึกว่าง่ายที่เราทำได้เราก็รักษาไป พอเรารักษาได้สองข้อแล้วเดี๋ยวเราก็อยากจะรักษาข้อที่สข้อที่สี่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราจะเห็นว่าเวลาที่เรารักษาเสล็จแล้วเราจะมีความอบอุ่นใจมีความสุขใจไม่มีความวุ่นวายไม่มีความเดือดร้อนใจเช่นเดียวกับการทำบุญให้ทานเราก็ทำจากน้อยไปหามากตอนนี้เรามีกำลังทำได้มากน้อยเปียงไร เม้มีศรัทธาที่จะทำมากน้อยเพียงไรเราก็ทำไปก่อนแต่ขอให้เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเราจะได้สัมผัสกับผลของบุญที่เกิดขึ้นภายในใจบุญนี้จะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือเราไม่ปรารถนาผลตอบแทนจากผู้ที่เราทำบุญด้วยแม้แต่คําว่าขอบคุณหรือความสำนึกในบุญคุณ เราอยากไปหวังขอให้เราทำพราะเรามีความเมตตาสงสารเห็นเขาเดือดร้อนแล้วเราอยากจะช่วยเขาหรือทำด้วยความศรัทธาเห็นว่าเขาเป็นคนดีเช่นเห็นพระมีศีลมีธรรมเราก็อยากจะสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่หวังอะไรตอบแทนจากท่านเลย อย่างนี้ก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความอิ่มใจเกิดความอบอุ่นใจเกิดความภูมิใจแล้วก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือการทำบุญที่ถูกต้องต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำบุญเพื่อชำระความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ทำเพื่อสะสม ความโลภความโกรธความหลงให้มีมากขึ้นไปเช่นเดียวกับการรักษาศีลและการภาวนาการนั่งสมาธิก็เพื่อที่จะต้องการที่จะกล่อมใจให้สงบ ก, กล่อมกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้สงบนั่นเองไม่ให้ออกเมาเพ่นพ่านทรงความวุ่นวายใจให้กับเรานะเวลาใจสงบแล้วกิเลส คือความโลภความโกรธความหลงก็จะสงบตัวลงไปด้วยและเมื่อสงบแล้วใจก็จะมีความสุขทุกวันนี้ที่ใจของเราไม่มีความสุขก็เพราะความโลภความโกรธความหลงนี้เองคอยสร้างความรู้สึกว้าเหวเศร้าซ้อยงอยเงาความหิวความอยากต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งทาสมาธิได้ ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปจะเหลือแต่ความอิ่มความสุขความพอแต่เป็นความสุขความอิ่มความพอที่ไม่ถาวรเท่านั้นเองเพอหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วใจของเราก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กิเลสก็จะออกมาผสมลงพอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดอารมณ์ ดีใจบ้างไม่ดีใจบ้างเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมามัาง่งก็จะเกิดความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราอยากจะกาจัดกิเลสในขณะที่เราไม่อยู่ในสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาเราต้องพิจารณาความเสือ่อมความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเวลาเราเห็นอะไรแล้วเรามีอารมณ์กับสิ่งนั้น เราก็บอกกับเราว่าเดี๋ยวเขาก็หมดไปเดี๋ยวก็จากไปเสียงที่เราได้ยินพอเราได้ยินปับ๊บมันก็หายไปแล้วถึงแม้จะเป็นเสียงที่เราไม่ชอบเราก็อย่าไปคิดถึงมันมันก็ผ่านไปแล้วเขาพูดไม่ดีปับ๊บมันก็หายไปแล้วถ้าเราพิจารณาแล้วเราปล่อยวางเสียงนั้นเราอย่าไปดึงเสียงนั้นกลับมาเสียงนั้นหายไปแล้ว แต่เรายังพยายามจดจำอยู่ภายในใจของเราอยู่การจดจำเสียงนี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้เรามีความวุ่นวายใจเขาพูดเพียงคำเดียวผ่านไปต้องหลายชั่วโมงแล้วแต่เรายังมีความโกรธมีความวุ่นวายใจอยู่เพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่เข้าใจว่าเขานั้นหายไปแล้วจบไปแล้วผ่านไปแล้ว เขาไม่เที่ยงเขาเกิดปั๊มแล้วก็ดับไปแต่เรายังไปหลงยึดติดอยู่กับเขาอยู่เรายิงต้องมีความทุกข์ความวุ่นวายใจถ้าเราตัดได้ตัดเสียงที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงมันพอมันพูดปับ๊บมันก็หายไปแล้วดีก็หายไปแล้วชั่วก็หายไปแล้วถ้าเราหัดไม่จําต่อไปเสียงต่างๆก็จะเกิดดับเกิดดับ จะไม่มาสร้างอารมณ์ต่างๆให้กับเราได้เพราะเราปล่อยวางได้นั่นเองเช่นเดียวกับรูป ก, ก็ดีเห็นอะไรไม่ถูกหกถูกใจก็พยายามลืมมันไปเสียอย่าไปคิดถึงมันคิดถึงรูปที่ทำให้เราไม่ไม่เดือดร้อนอย่าไปคิดถึงเรื่องรูปที่ทำให้เราเดือดร้อนปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติด แล้วต่อไปใจของเราจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจจะไม่มีความโลภความอยากเห็นอะไรที่เราอยากได้ก็พยายามอย่าไปคิดถึงมันเดินหนีจากมันไปแล้วเดียววมันก็จะลืมได้แต่ถ้าคอยคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องกลับไปซื้อมันมาจนได้เพราะเราไม่รู้จักคาว่าปล่อยวางและเราไม่รู้จักใช้เหตุผลว่า ได้มาแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมหรอกดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเสียใจภายหลังต้องมาคอยดูแลรักษาแล้วเวลาที่มันหายไปลืองหมดไปก็ต้องเสียใจหรือถ้ามันอยู่กับเราเดี๋ยวก็เบื่อก็อยากจะได้ของใหม่ก็ต้องไปหาซื้อของใหม่มาจนเต็มบ้านล้นบ้านนี่คือ การใช้ปัญญาเพื่อการตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงถ้าเรารู้ทันแล้วต่อไปใจของเราจะไม่อยากได้อะไรอยู่เฉยๆนี่แหละมีความสุขที่สุดอยู่อย่างไม่มีความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นการอยู่ที่ดีที่สุดอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันตาสาวกต้องอยู่แบบนี้อยู่ด้วยการปล่อยวาง และเราจะมีความสุขไปตลอดจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเบียดเบียนจิตใจของเราเลยจึงขอฝากเรื่องของการมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติตามกำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป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 อันตรายทหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ